อนาปติวานพิกษุีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ703 1. ภพิกษุีไม่กำนัดรับของจากชายผู้ไม่กำนัด 2. ภพิกษุีรู้อยู่ว่าเขาไม่กำนัดจึงรับประเคน 3. ภพิกษุีวิกลจริต 4. ภพิกษุีต้นมัญญัตสังคาทิเศษสิกขาบทที่5จบ